สมมวินัยธรโสภณสูตรว่าด้วยเหตุให้พระวินัยทอนสงางามสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจบประการเป็นพระวินัยทอนย่อมสงางามธรรมเจบประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัตส 2. รู้จักอนาบัติ 3. รู้จักรหุกาบัตส 4. รู้จักครุกาบัต 5. มีศีลละถึงสมาธานศึกษาอยู่ในสกขาบททั้งหลาย 6. ได้ฌานสละถึงได้โดยไม่ลำบาก 7. ทําทำให้แจ้งเจโตวิมุตละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำเจตประการนี้แลเป็นพระวินัยทอนย่อมสง่างาม ปฐมวินยธระโสพณสูตรที่หาจบ 6. ทุติยวินยธระโสพณสูตรว่าด้วยเหตุให้พระวินัยทอนสง่างามสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการเป็นพระวินัยทอนย่อมสง่างามธรรมเจตประการอะไรบ้างคือ 1. นึงรู้จักอาบัตสองรู้จักอนาบัต 3. รู้จักละหุกาบัตร 4. รู้จักครุกาบัตร 5. ทรงจำปาติโมกทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 6. ได้ฌานสละถึงได้โดยไม่ลำบาก 7. ทําทำให้แจ้งเจโตวิมุตละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ประการนี้แล αι, เป็นพระวินัยทอนย่อมสง่างามทุติยวินยัทธะโสภณสูตรที่หกจบ 7. จตติยวินยัทธะโสภณสูตรว่าด้วยเหตุให้พระวินัยทอนสง่างามสูตรที่สามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ประการเป็นพระวินัยทอนย่อมสง่างาม ทำเจตประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัต 2. รู้จักอนาบัตส 3. รู้จักลหุกาบัตส 4. รู้จักครุกาบัตห 5. เป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแงนในวินยัย 6. ได้ฌานสี่และถึงได้โดยไม่ลำบาก 7. ทําทำให้แจ้งเจโตวิมุตและถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการนี้แหลเป็นพระวินัยทอนย่อมสง่างามตติยะวินัยธรโสภณสูตรที่7จบ8จะตุถาวินัยธรโสภณสูตรว่าด้วยเหตุให้พระวินัยทอนสง่างามสูตรที่สภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจประการเป็นพระวินัยทอนย่อมสง่างาม ทำเจตประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัติ 2. รู้จักอนาบัติ 3. รู้จักระหุกาบัติ 4. รู้จักครุกาบัติ 5. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 6.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 ขอประทานวโรกาศขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่แข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีเธอรู้ธรรมเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสมงบระ ง, งับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเธอพึงทรงจํำทำเหล่านั้นไว้ให้ดีว่านี้ไม่ใช่ธรรมนี้ไม่ใช่วิัยนี้ไม่ใช่สัตวศาสตร์คาสอนของพระศาสดาแต่เธอรู้ทำเหล่าใดว่าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน เธอพึงทรงจำทมเหล่านั้นไว้ให้ดีว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นถัศุสศสะศัตุสาะสนะสูที่เก้าจบสิบอธิกรณะสมถสูตรว่าด้วย อธิกรณะสมถธรรมภิกษุทั้งหลายอธิกรณะสมถธรรมทำเครื่องระ ง, งับอธิกรณเจ็ประการนี้เพื่อระ ง, งับเพื่อดับอธิกรที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วทำเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. นงสงพึงให้สา ม, มุขาวินัยสงสงพึงให้สติวินัยสามสงผึงให้อมูลหาวินัย สี่สงผึงให้ปติญญาตะกรณะ 5. ้าสงพึงให้เยผูยสิกา 6. สงพึงให้ตัสปาปิยาสิกา 7. จ็ดสงผึงให้ตินนวัตตารกะภิกษุทั้งหลายอาธิกรณะสมถะธรรม7ประการ น, นี้แลเพื่อระ ง, งับเพื่อดับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว อธิกรณะสมถสูตรที่10บจบวินัยวักที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นึปฐมวินัยธรรสูตร 2. ทุติยวินัยธรรสูตร 3. ตติยวินัยธรรสูตร 4. ี่จตุถวินัยธรรสูตร 5. ้าปฐมวินัยธรโสพนสูตร 6. ทุติยวินยัตระโสภณสูตร 7. ตติยวินยัตระโสภณสูตร 8. ดจะตุถวินยัตระโสภณสูตร 9. สัตตุศาสนาสูตร 10. อธิการณสมถะสูตร กสมณวักหมวดว่าด้วยสมณะ 1. นภิกขุสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าภิกษุภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายทำเจบประการได้ทำเจบประการอะไรบ้างคือ 1. สกักสกายธิฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. สาลศีลปะตะปรามาตส 4. ราคะ หโทสะหโมหะ7มานะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าภิกษุเพราะทําลายทำเจตประการนี้แลได้ภิกขุสูตรที่หนึ่งจบ 2. สมณะสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าสมณะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าสมณะเพราะระงับทำเจตประการได้ ละถึงสมณสูตรที่สองจบสมพรามณสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าพรามภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าพรามเพราะลอยทำเจตประการได้ละถึงพรามณสูตรที่สามจบสโสติกะสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าโสติกะ ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าโสติกะเพราะทําเจ็ตประการร้อยรับไม่ได้ละถึงโสติกะสูตรที่สี่จบ 5. นหาตกะสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่านหาตกะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่านหาตกะเพราะล้างทำเจ็ตประการได้ละถึง นหาตะ ก, กะสูตรที่หจบ 6. เวทคูสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าเวทคูภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าเวทคูเพราะรู้ธรรมเจ็ประการและถึงเวทคูสูตรที่หจบ 7. อริโยสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอริยะ ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอริยะเพราะกําจัดทำเจ็ประการได้ละถึงอริโยสูตรที่เจจบ 8. ปดอรหัสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอารหันต์ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอารหันต์เพราะเป็นผู้ห่างไกลาจากทำเจ็ประการได้ทำเจ็ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง สักยทิฐิสองวิจิกิจชาสามสีลปะตะปรามาต f o ราคะห้าโทสะหกโมหะเจ็ดมานะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอารหันต์เพราะเป็นผู้ห่างไกลจากทรรมเจ็บประการ น, นี้แหละอรหัสูตรที่แปดจบเก้อาอสัตธรรมสูตร ว่าด้วยอาสัตธรรมภิกษุทั้งหลายอาสัตธรรมเจตประการนี้อาสัตธรรมเจตประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธาสองเป็นผู้ไม่มีหิริ 3. เป็นผู้ไม่มีโอตตะปะ 4. เป็นผู้มีสุตตะน้อย 5. เป็นผู้เกียกรคราน 6. เป็นผู้หลงลืมสติ 7. เป็นผู้มีปัญญาสามพิสุทั้งหลายอสั萨ธรรมเจประการนี้แหละอ萨ธรรมสูตรที่เกจบ10สัตธรรมสูตรว่าด้วยสัตธรรมภิกษุทั้งหลายสัตธรรมเจตประการนี้สัต ธ, ธ, ธ, ธรรมเจต ป, ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีหิริ 3. เป็นผู้มีโอตตะปะ 4. เป็นพหูสูตร 5. เป็นผู้ปรารบความเพียร 6. เป็นผู้มีสติ 7. เป็นผู้มีปัญญาพิสูทั้งหลายสัตธรรมเจ็ดประการนี้แลสัตรธรรมสูตรที่10บจบสมณวักที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ภิกพิขุสูตรสองสมณสูตร 3. พราหมณสูตร 4. โซติกะสูตร 5. นหาตากะสูตร 6. เวทคูสูตร 7. อริโยสูตร 8. อาอรหาสูตร 9. าอสัตมัสสูตร 10. สัตถมัสูตร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 หบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอสังขารปรินิพพายี 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัสังขารปรินิพพายี 7. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีสัญญาว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในจกักษุอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนือสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้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 ควรแกทักซณนาควรแกการทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ละถึงในจักสุอยู่ พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในจักสุอยู่พิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักสุอยู่พิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักสุอยู่พิจารณาเห็นความคลายไปในจักสุอยู่พิจารณาเห็นความดับไปในจักสุอยู่พิจารณาเห็นความสละคืนในจักสุอยู่ละถึงในโสตอยู่ในคานะอยู่ในชิวหาอยู่ในกายอยู่ ในใจอยู่และถึง ใ, ในรูปอยู่ในเสียงอยู่ในกลิ่นอยู่ ใ, ในรสอยู่ในโผฏฐัพพะอยู่ในธรรมารมอยู่และถึงในจักุวิญญาณอยู่ในโสตวิญญาณอยู่ในคานวิญญาณอยู่ในชิวหาวิญญาณอยู่ในกายวิญญาณอยู่ในมโนวิญญาณอยู่และถึงในจักุสัมผัสอยู่ ในโสตะสัมผัสอยู่ในคานะสัมผัสอยู่ในชิวหาสัมผัสอยู่ในกายะสัมผัสอยู่ในมโนสัมผัสอยู่และถึงในเวทนาที่เกิดจากจักขคุสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสอยู่ ในเวทนาที่เกิดจากมนูสัมผัสอยู่ละถึงในรูปสัญญาอยู่ในสัทธสัญญาอยู่ในคันทสัญญาอยู่ในรสะสัญญาอยู่ในโพธพสัญญาอยู่ในธรรมสัญญาอยู่ละถึงในรูปสัญญาเจตนาอยู่ในสัทธสัญญาเจตนาอยู่ในคันทสัญญาเจตนาอยู่ในรสะสัญญาเจตนาอยู่ ในโพธิภพสัญญาเจตนาอยู่ในธรรมสัญญาเจตนาอยู่และถึงในรูปปัตนหาอยู่ในสัทธตันหาอยู่ในคันธตันหาอยู่ในรสะตันหาอยู่ในโพธิภพตันหาอยู่ในธรรมตันหาอยู่และถึงในรูปปวิตกอยู่ในสัทธวิตกอยู่ในคันทวิตกอยู่ ในรัสวิตกอยู่ในโภทภวิตกอยู่ในธรรมวิตกอยู่ละถึงในรูปวิจารอยู่ในสัทวิจารอยู่ในขันธวิจารอยู่ในรัสวิจารอยู่ในโภทภวิจารอยู่ในธรรมวิจารอยู่ละถึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปขันธอยู่พิจารณาเห็นความเป็นทุกข พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นความสิ้นไปพิจารณาเห็นความเสื่อมไปพิจารณาเห็นความคลายไปพิจารณาเห็นความดับไปพิจารณาเห็นความสละคืนและถึงในเวทนาขันอยู่ในสัญญาขันอยู่ในสังขารขันอยู่ในวิญญาณขันอยู่และถึงภิกษุทั้งหลาย บุคคลเจ็ดจำพูกนี้แหลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกในอาหุเนยวักนี้มีหมวดธรรมดังนี้คือทวารหกอารมหกวิญญาหกภัษหกเวทนาหกสัญญ า, าหกสัญญาเจตนาหกตันหาหกวิตกหกวิจารหกและขันห้า แต่ละประการในธรรมแต่ละหมวดมีพระสูตรแปดสูตรมีสภาวะธรรมแปดประการคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความสิ้นไปความเสื่อมไปความคลายกำนัดความดับและความสละคืนจะเป็นพระสูตรเบื้องต้น16สูตรโดยประกอบการพิจารณาไปตามลำดับประการละแสูตรเมื่อรวมกันทั้งหมดได้พระสูตร 528สูตรอาหุเนยวักที่10จบราคะไปยานภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเจตประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัด ทำเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้และถึง 7. อุเบขาสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเจ็ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรเจริญทาเจตประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4. อาทินวะวสัญญา กำหนดหมายโทษทุกของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆ 5. ปหาณสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปรำทั้งหลาย 6. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีต 7. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรเจริญทำเจ็บประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเจ็บประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำเจ็บประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. องมรณะสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิกูละสัญญา กำหนดหมายความปฏิคูลในอาหาร 4. สั่พโลกเก อ, อนาพริรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อณิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อณิเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกเค อ, อนตาตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนาตตาในความเป็นทุกข์ ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเจ็บประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเจ็ประการเพื่อกำหนดรู้ราคะและถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสืส่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะ เพื่อความสะละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเจตประการนี้เพื่อความสะละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเจตประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายละถึงเพื่อกําหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะ <jut te. S 1> เพื่อความสินมส้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะ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 สาเถยะความโ อ, โอ้อวดธรรมภะความหัวดือ้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามาทะความมัวเมาปมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญทำเจตประการ น, นี้แหลเพื่อความสละคืนปมาทะพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้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 อังคุตรนิกายอัฏฐะนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งปฐมปันนาตหนึ่งเมตาวักหมวดว่าด้วยเมตตาหนึ่งเมตตาสูตรว่าด้วยอนิสง์แห่งเมตตาเจโตวิมุตติเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง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 ทำให้เป็นดูดยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์8ประการอานิสงส์8ประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุขสไม่ฝันร้ายสเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายหเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายรักษา ไฟยาพิษหรือาศาสตรากลั่มกลายไม่ได้ 8. เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษย่อมเข้าถึงพรหมโลกภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์แปประการนี้ผู้มีสติตั้งมั่น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 พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับรือสีทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรมทรงบูชายันคือสัจมะเมทะปุริสเมทะสัมมาปาสะวาชเปยะและนิรักคล ะ, สะเสด็จเที่ยวไปยันเหล่านั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหแห่งเมตตาเจโตวิมุตที่บุคคลเจริญดีแล้ว เหมือนแสงหมู่ดวงดาวไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งแสงจัน์ฉะนั้นผู้มีเมตตาในสัตว์ทุกหมูเหล่าจะไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะย่อมไม่มีเวรกับใครๆเมตตาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปัญญาสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ให้ได้ปัญญาภิกษุทั้งหลายเหตุปัจจัยแปดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อพินโยภาพไพบูร์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้วเหตุปัจจัยแปดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่ง อาศัยพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรีรูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูเป็นที่เข้าไปตั้งหิริโอตปะความรักและความเคารพอย่างแรงกล้านี้เป็นเหตุปัจจัยที่หนึ่งที่เป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อพินโยภาพไพบู์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้วสอง อาศัยพระาศาสดาหรือเพื่อนพรมจารีรูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูเป็นที่เข้าไปตั้งหิริโอตปะความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าเธอเข้าไปหาแล้วสอบสวนไต่ถามท่านเหล่านั้นตามเวลาอันสมควรว่าท่านผู้เจริญพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผย ทำให้ง่ายซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สองที่เป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อพินโยภาพไพบูนเจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้ว 3. ได้ฟังธรรมนั้นแล้วย่อมทำความสงบสองอย่างคือความสงบกายและความสงบใจให้ถึงพร้อม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 ทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐินี้เป็นเหตุปัจจัยที่ห้าที่เป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อพินโยภาพไพยบูนเจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้ว 6. เป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุณธรรมเพื่อให้กุณธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้เป็นเหตุปัจจัยที่6ที่เป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อพินโยภาพไพบู์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้ว7อยู่ในที่ประชุมสงฆ์ไม่พูดเรื่องราวต่างๆไม่พูดติระชานคทถากล่าวทำเองเชื้อเชิญผู้อื่นให้กล่าวและไม่ดูหมิ่นการนิ่งอย่างพระอริยะ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 ท่านผู้มีอายุนี้อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูเป็นที่เข้าไปตั้งฮิริโอตปะความรักความเคารพอย่างแรงกล้าท่านผู้นี้ย่อมรู้สิ่งที่ควรรู้เห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นแน่แท้นี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน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 นี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. ท่านผู้นี้เป็นผู้ปรารบความเพียเพื่อละอุคุโสธรรมเพื่อให้กุคุโธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในคุโสธรรมทั้งหลายอยู่ท่านผู้นี้ย่อมรู้สิ่งที่ควรรู้ เห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นแน่แท้นี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 7. ท่านผู้นี้อยู่ในที่ประชุมสงฆ์ไม่พูดเรื่องราวต่างๆไม่พูดติระชานคถากล่าวทำเองเชื้อเชิญผู้อื่นให้กล่าวและไม่ดูหมิ่นการนิ่งอย่างพระอริยะ